ขอนอบน้มพระรันตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขอโอกาศพระญาณเผยสารผูบาอาจารย์ทุกรูปแล้ขอโอกาศเพื่อนสามีทุกท่านเจริญในธรรมไม่ขี้และก็ยติธรรมทุกคนตั้งตั้งใจฟังสบายๆนะอย่าตั้งใจจนเกินไปหรือว่าปล่อยใจจนเกินไปนะความเป็นกลางของใจก็คือ ความพอดีนะถ้าตั้งใจมากก็จะเครียดนะถ้าตั้งใจน้อยนะก็ย่อนยานไปเนะมันคือความเป็นกลางความพอดีเนาะมันอยู่ที่ใจนะที่เราวางไว้ให้มันพอประมาณนะ ม, นมีเรื่องหนึ่งที่จะเป็นเป็นข้อคิดที่ที่น่าสนใจนะของคนส่วนใหญ่นะหรืออาจจะเป็นส่วนน้อยก็ไม่รู้เนะพอดีมี เมื่อสองสาวันก่อนมีคนถามนะถามเรื่องหนึ่งก็บอกว่าอยู่ในที่ทำงานมีเพื่อนร่วมงานซึ่งน่าจะปฏิบัติหน้าที่บกบพ้องหรือว่าทำความผิดนะถ้าเขามีหน้าที่ต้องเกี่ยวข้องเขาก็จำเป็นที่จะต้องเขียนรายงานเพื่อให้ผู้บัญชากบัญชาไ ด, ได้ทราบเรื่องเพราะว่ามันคงเป็นความผิดไายแรงทางวินยัยนะ ในหน่วยงานตอนนี้นะเขาควรจะทาดีไหมนะเพราะเขาก็กลัวว่าถ้าทําไปแล้วมันจะเป็นเวนเป็นกรรมกันหรือเปล่านะคือคนก็เอาเรื่องเรื่องเวนเรื่องกรรมมาโยงกับเรื่องอาการทํางานแบบนี้ก็ได้นะอาตมาก็เลยถามกลับไปว่าออถ้าถ้ามันจะต้องทําแบบนี้ท่านั้นคนที่เป็นตารวจก็ดีคนที่เป็นผู้พิพากษาก็ดี เขาก็ต้องมีเวรมีกรรมกับทุกคดีที่เขาต้องตัดสินสินะมันมันเป็นแบบนั้นจริงเหรอนะก็ะทางเขากลับไปนะที่จริงคนเราบางทีพอเราไม่รู้ทันว่านะสิ่งที่ตักกะที่เราคิดนะเราก็เอาเรื่องเวรเรื่องกรรมมาผูกว่ากลัวจะเป็นเวรเป็นกรรมถ้าเราไปอนะรายงานสิ่งที่มันสมควรที่จะทําแล้วนะมัน แต่เป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่าอาตมาก็เลยบอกว่าที่จริงเราก็ทาหน้าที่ของเรานะเรามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกับหน่วยงานหน่วยงานก็มีระเบียบมีวินัยนะมีข้อกฎหมายที่ต้องอรักษาไว้เราก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ไปนะแต่เราต้องวางใจของเราด้วยนะถ้าเราไม่วางใจของเรานะมันก็จะทำให้เราทุกข์นะ หรือทําให้เราไม่สบายใจนะเราต้องวางใจแบบไหนเราวางใจด้วยความมีเมตตานะมีความปรารถนาดีกับเขาแม้สิ่งที่เราจะรายงานไปมันอาจจะทําให้เขากระทบกระเทือนกับหน้าที่การงานหรือว่าความรู้สึกของเขาแต่เราก็ต้องทําหน้าที่ในการทําให้หน่วยงานหรือว่าองค์กรมันเป็นไปโดยความชอบธรรมแต่เราก็ต้องวางใจด้วยว่าเราไม่ใช่กระทําเพราะว่าอคติ ที่มีต่อบคุคคลนะแต่เรากระทําเพราะว่าสิ่งที่การกระทําของบคุคคลนั้นมันผิดกับสิ่งที่สังคมหรือว่าหน่วยงานนั้นเขายอมรับนะเราก็ต้องวางใจแบบนี้นะแต่คนถ้าเราไม่วางใจเช่นนี้นะบางทีเราก็กลัวเรื่องเรื่องเวรเรื่องกรรมที่จะมาะซ้อนซอนกันในชาติต่อๆไปนะบางคนถึงขั้นขนาดว่านการที่ เป็นผู้พิาพากษาก็ดีเป็นตำรวจก็ดีหรือบางคนไกลขนาดว่าการที่เป็นหมอเป็นพยาบาลพอมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะเป็นโรคเป็นโรคภัยแล้วก็พอหมอมารักษานะเหมือนคล้ายๆมาที่จริงโรคภัยมันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรเขาเขาเล่นงานนะแต่พอหมอหรือพยาบาลไปรักษากลายเป็นว่าไปขัดขวางการทํางานของเจ้ากรรมนายเวรคนก็คิดถึงขนาดนั้นนะ คิดแล้วก็ว่าเันั้นหมอนะ่ะหรือพยาบาลต้องมารับกรรมแทนแทนคนไข้นะคือคนพอไม่เข้าใจเรื่องเรื่องกรรมเรื่องกรรมเนาะก็จะไปกลัวไปกลัวเรื่องกรรมที่นะที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นแต่จริงกรรมแท้จริงมันน่าจะเป็นกรรมที่เกิดจากการกระทาของเรากรรมแล้วมันก็ออกจากจิตใจของเราอยู่จากเจตนาของเราที่เรากระทากรรมเช่นนั้น โดยการคําพูดก็ดีโดยการกระทําก็ดีจิตใจของเราตรง น, นั้นแหละมันมีเจตนาเช่นไรถ้าจิตใจมีเจตนาเช่นไรตรง น, นั้นแหละถึงจะเป็นผลของกรรมที่ออกไปถ้าเจตนาของเราทําในทางที่ดีนะคำก็ต้องผลถงผลในทางที่ดีถ้าเจตนาของเราอนะ่มันไปนทางที่ไม่ดีคิดไม่ดีนะเราพูดออกไปเราก็ทําออกไปนะแม้ข้างนอกอาจจะดูดีอนะ แต่มันก็ต้องส่งผลเป็นทางที่ไม่ดีนะกรรมมันอยู่ที่การกระทําของเราเองนะแต่เราก็ต้องทําหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นกับสังคมด้วยนะก็แนะนําเขาไปประมาณนี้นะมันอยู่ที่การกระทําที่ต้องทําตามหน้าที่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การวางใจนะซึ่งการวางใจนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะการวางใจที่จะไม่เอาอคตินะในการตัดสินคนนะ หรือว่าไม่ใช่ว่าปิตาบาปเขาว่าเขาทําผิดคือเขาเป็นคนเป็นคนชั่วเป็นคนเลวนะเราเราทําไปเพื่ออะไรเพื่อปรารถนาให้เขากลับตัวกลับใจนะให้เขาประพฤติในทางที่เหมาะสมในทางที่สมควรซึ่งเรื่องพวกนี้มันก็มันไม่ใช่แค่เรื่องทางโลกนะที่จริงแม้แต่ในทางพระวินัยของที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้ก็เป็นเรื่องเช่นนี้ก็คือว่า การมีวินัยหรือว่าการมีระเบียบข้อวัดต่างๆก็เพื่อให้พวกเราหมู่พิกสุก็ดีหรือว่าอุบาสกอุบาสิาสกาาก็ดีนะได้มีความระอายในสิ่งที่จะทําไม่ดีนะก็คือสิ่งที่ทําแล้วจิตเกิดความเศร้าหมองจิตจิตเกิดความทุกข์นะเราก็ได้เกิดความํารวมระวังไม่ทําเพราะว่าถ้าทําแล้วเรารู้ว่ามันผิดนะเมื่อรู้ว่าทําผิดทั้งๆที่ รู้ว่าทำมันจะผิดนะพอทําไปแล้วจิตมันก็เกิดความเศร้าหมองนะอันนี้คือความถ้าเราไม่มีความละอายไม่มีความรู้เท่าทันเราทําไปแล้วเราก็เกิดความเศร้าหมองของจิตใจซึ่งความเศ้าหมองนั้นคืออะไรก็คือความทุกข์ใจนั่นแหละนะเมื่อเราเกิดความทุกข์ใจจิตก็เกิดความไม่สบายมันก็เรียกว่ามันก็ไม่ได้นะถึงมรรคถึงผลใช่ไหมเพราะว่าจิตมันเกิดความทุกข์นะดังนั้น พระวินัยก็ช่วยทําให้เราป้องกันไม่ให้เราเกิดความทุกข์ใจในระดับหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งเมื่อเราดูแล้วว่าเราทําผิดถ้าเราสํานึกตัวกับตัวกับใจในทางที่ถูกเราก็สามารถกลับมาเป็นปกติได้โดยการนะโดยการที่เรียกว่าปงอาบัติก็ดีหรือว่าสารภาพความผิดก็ดีหรือความผิดบางทีก็ต้องชดใช้ก็ดีซึ่งที่จริงไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ มันไม่ใช่เป็นการลงโทษซึ่งกันและกันนะแต่เป็นการทําให้พวกเราได้กลับตัวกลับใจมาในทางที่ถูกในทางที่ควรอะนั้นที่จริงเรื่องนะพระวินัยของของหมู่สงก็ดีหรือว่าเรื่องกฎระเบียบของสังคมภายนอกก็ดีนะที่จริงมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องที่การที่เราป้องกันไม่ให้คนทําความชั่วแล้วก็เกิดความเรียกว่าไม่ละอายแล้วก็ทําผิด มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะคนหนึ่งเวลาทําความไม่ดีเกิดขึ้นนะเล็กๆแรก ๆ, ๆ, ๆมันก็ทําในสิ่งที่เรียกว่าเล็ก ๆ, ๆน้อยๆแต่ต่อไปมันก็ทํามากขึ้นเพราะว่าเกิดความหยามในจิตใจว่าทําแล้วไม่เห็นมีใครว่าทําแล้วไม่เห็นเป็นอะไรนะทําแล้วก็เกิดเรียกว่าเกิดทํามากขึ้นเรื่อยๆอันนี้พระวินัยก็ดีหรือว่าศีลก็ดีและเบียบต่างๆก็ดีมันจะช่วยกํำราบ สิ่งต่างๆนี้ไม่ให้มันลามปามไปได้นะมันไม่ใช่เป็นการลงโทษหรือว่าเป็นการจับจับผิดเพื่อชี้โทษกันนะดังนั้นการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นการที่ว่าจะคอยจ้องดูกันว่าใครทําผิดใครทําไม่ดีนะแต่เราผิดแค่ทาหน้าที่นะถ้าเห็นคนทําไม่ดีเราก็ตักเตือนด้วยความหวังดีอันนี้คือถ้าเราอยู่ร่วมกันเช่นนี้เนาะจะอยู่ในสังคมภายในวัดก็ดี หือสังคมข้างนอกก็ดีถ้าเรามีเจตนาในความวางดีแล้วก็ชี้โทษหรือว่าตักเตือนกันในสิ่งที่ควรจะทำนะมันจะทําให้สังคมของเราเรียกว่าอยู่เป็นปกตินะหรือว่ามีความสุขมากขึ้นนะแต่การที่จะทําเช่นนี้ได้นะเราก็ต้องเรียกว่ากลับมารู้ทันจิตใจของเราด้วยนะเพราะถ้าจิตใจของเราไม่มั่นคงบางทีเราก็จะไม่กล้าที่จะไปตําหนิเขา หรือกล้าชี้โทษเขาเพราะอย่างหนึ่งเรากลัวว่ากรรมนะที่จะเกิดขึ้นนกับเราหรือกับเขานะตรง น, นั้นด้วยนะเหมือนกับตัวอย่างที่ยกไว้ข้างต้นน่ะบางทีคนก็ไปคิดว่ามันจะเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันหรือเปล่านะหรือบางคนก็คิดว่าอืมตัวใครตัวมันดีกว่านะเราออกตัวเราดีก็พอละคนอื่นเขาจะแย่เขาจะเสียก็เป็นเรื่องของเขา การคิดเช่นนี้ก็เป็นการคิดที่เรียกว่าเหมือนตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะครๆก็กลัวว่ามันจะเกิดการกระทบจิตใจนกับตัวเองนะมันก็เป็นการที่จริงมันก็เป็นการเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเราเห็นคนทําไม่ดีเห็นคนทําผิดแล้วเยังปล่อยเฉยอันนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันทําให้เราคิดว่าเราจะยุ่งยาก ถ้าต้องไปเกี่ยวข้องต้องไปตักเตือนหรือว่าต้องไปบอกใครให้มาจัดการมันเป็นสิ่งที่มันก็เป็นความเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งแต่พวกเราอยู่กันแบบเป็นหมู่สงก็ดีหรือว่าเป็นชุมชนก็ดีเนะี่ยมันจะมีสิ่งนั้นแหละต่างๆเนะี่ยมาทําให้พวกเราต้องต้องเกี่ยวข้องกันนะต้องเกี่ยวข้องกันเพราะว่าการอยู่ร่วมกันนอกจากการที่จะรักษาจิตใจของเราให้เป็นปกติแล้วนะ แล้วก็เป็นหน้าที่ที่ช่วยคนอื่นให้เขาไม่ทําความชัว่วให้เขาทําความดีให้เขาเรียกว่าปฏิบัติตรงตามคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยอันนี้คือนอกจากเป็นประโยชน์ที่เราจะช่วยตัวของเราเองในการวางใจที่จะไม่ทุกข์เราก็มีหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นให้เขาไม่ทุกข์ด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งมันก็จะทําให้สังคมของเรานะพลอยมีความสงบสุข คอยมีความไม่ทุกข์ตามไปด้วยคือมันเป็นเรื่องที่มันได้ประโยชน์ทั้งทั้งสามส่วนนะทั้งสามส่วนนะถ้าเราทำเช่นนี้นะมันก็จะเป็นเรียกว่าสังคมที่ดีงามนะแต่ก็อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ว่ามันต้องเริ่มต้นจากตัวของเราเองถ้าเราไม่รู้ทันตัวของเราเองเราก็จะคอยโดนความคิดหรือว่าโดนความไม่รู้ที่แท้จริงนะ่ะ มาคอยยุโยงหรือว่ามาคอยทำให้เราไม่กล้าทำในสิ่งที่ควรจะทำนะนะเราก็เรียกว่าเรียกว่าขาดสติไปก็ว่าได้นะหรือว่ามีความเห็นผิดไปก็ว่าได้แต่ถ้าเรามีสติรู้เท่าทันใจของเราเองนะเราจะกลับมาสำรวจที่ใจของเราเองว่าใจของเราตอนนั้นนะขนาที่เห็นคนทำไม่ดีจิตใจของเรารู้สึกอย่างไรนะแล้วเรา มีจิตเมตตาที่จะตักเตือนที่จะบอกกล่าวกับเขาหรือเปล่านะถ้าเรามีเช่นนี้เราก็กระทําในสิ่งที่เรียกว่าสมควรที่จะทําไปนะจิตของเราเช่นนี้พอทําไปแล้วก็วางวางการกระทําตรงนั้นด้วยคือนอกจากเบื้องต้นที่รับรู้หรือว่าเห็นนะจิตของเรารู้สึกแบบไหนขณะที่เรากระทำนะหรือว่าเรานะตักเตือนหรือว่าเราชี้นําต่างๆก็ได้แต่จิตของเรารู้สึกแบบไหน เมื่อทําไปแล้วจิตของเราเกิดการปล่อยวางเดี๋ยวว่าเกิดความยึดติดถือมั่นตรง น, นั้นเราก็กลับมาดูจิตของเราด้วยว่ามันรู้สึกแบบไหนนะซึ่งที่จริงพวกนี้นมันเป็นการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้จิตของเราเองนะในขณะที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นนะเพราะว่าตัวของเราเองไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเราก็ดูตัวของเราเองนี่แหละนะดูการกระทําที่เกี่ยวข้องกับผู้คนกับสิ่งต่างๆให้กลับมาเป็นครูสอนเรานะ ถ้าเราไม่ดูการกระทำเช่นนี้นะมันจะเสียประโยชน์เพราะว่าบางคนพอไปยึดติดในสิ่งที่ถูกก็ดียึดติดในสิ่งที่ดีก็ดีนะก็ยิ่งทุกข์หนักกว่าคนที่เรียกว่ า, าไปหลงในการทำผิดนะหลายคนก็คงเคยมีประสบการณ์นะบางทีเมื่อเราไปยึดในสิ่งที่ดีมากๆความชอบธรรมมากๆนะมันก็เกิดเป็นความเครียด <S 2> <S 2> <S เกิดเป็นความทุกข์นะ อย่างตัวกับผมเองก็เคยเหมือนกันตอนตอนเป็นนักศึกษาตอนเรียนหนังสือบางทีเราก็ไปยึดติดในในความถูกต้องในความชอบธรรมกับเรื่องของกฎเกณฑ์กับเรื่องของสังคมกับเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเราก็ไปเรียกร้องความถูกต้องไปเรียกร้องความชอบธรรมกับคนอื่นนะกับสังคมแต่พอมันเกิดไม่สามารถเรียกร้องหรือว่าไม่สามารถต่อรองอย่างที่เราต้องการได้ คนที่ทุกข์ก็คือเราเนี่ยแหละนะเราก็เลยเอย๊ได้ตระหนักว่าเอ๊ทำไมเมื่อเราเรียกร้องความถูกต้องเรียกร้องความชอบธรรมแต่จิตใจของเรามันทุกข์เหลือเกินมันคุ้มค่ากันหรือเปล่าที่เราทำเช่นนั้นนะนะก็ทำให้เราได้มาตระหนักว่าที่จริงนะการไปเรียกร้องสิ่งอื่นหรือว่าไปเรียกร้องให้คนอื่นเขาเป็นอย่างที่ควรจะเป็นมันก็เป็นสิ่งที่มันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะ แต่ทำไมเราต้องทำสิ่งที่ดีด้วยท่าทีที่ทุกข์ใจด้วยเราจะมีทางเลือกอื่นไหมที่เราจะทำสิ่งที่ดีแต่ท่าทีในใจของเราไม่ทุกข์ใจมันมีทางเลือกหรือเปล่านะอาจามาคิดว่าพุทธศาสนานะหรือว่าธรรมะสามารถตอบตอบตรงนี้ได้นะตอบตรงนี้ได้นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่บางทีเกิดความทุกข์ใจเพราะว่าทำสิ่งที่ดีเนี่แหละนะ แต่สิ่งที่ทําไปแล้วมันไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการเรียกว่าผิดหวังก็ดีหรือทําไปแล้วคนอื่นเขาไม่เข้าใจเขาวิพากวิจารณ์เขาไม่เห็นด้วยก็ เ, เกิดความทุกข์ใจนะเรียกว่าพอทําไปแล้วคนอื่นไม่เข้าใจก็ เ, เกิดความทุกข์ใจก็แหละนะอย่างหนึ่งเมื่อไม่ได้ตังใจก็ทุกข์ใจอย่างที่สองเมื่อมีคนไม่เข้าใจก็เกิดความทุกข์ใจนะอันนี้คือความทุกข์ใจมันเกิดขึ้น เพราะว่าสิ่งภายนอกนะแล้วมากระทบกับสิ่งภายในแต่แ ท, ท้จริงแล้วถ้าเราดูสังคมดูความเป็นจริงต่างๆแม้เราจะทําดีขนาดไหนแม้เราจะทําถูกขนาดไหนแต่บางทีมันก็มีเหตุมีปัจจัยทําให้เป็นอย่างที่เราไม่ไม่ตั้งใจก็มีนะหรือแม้จะเราทําดีขนาดไหนก็ยังอดที่จะมีคนวิาพากษ์วิจารณ์อ่าก็ ต้องมีเป็นธรรมดาเพราะสิ่งเาต่างๆนี้ยมันเป็นโลกธรรมที่เกิดขึ้นมีคนชอบบ้างมีคนชังบ้างมีคนเข้าใจบ้างมีคนไม่เข้าใจบ้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราไปยึดติดในสิ่งที่เขาพูดไม่ดีนะเขาไม่เข้าใจเราแล้วก็ทุกข์ใจนะแต่ถ้าเรามองให้เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ดีเนาะท่านก็เป็นผู้ที่ถึงซึ่งความหมดทุกข์แล้ว หรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความที่เรียกว่ามีเมตตาจิตมีกรุณามีปัญญามีความบริสุทธิ์ต่างๆแล้วแต่ก็ยังมีคนที่ตามด่ามีคนที่ตามทําร้ายท่านมีคนที่ไม่เข้าใจท่านมีคนที่เรียกว่าปฏิเสธท่า น, น, ก, าษษานก็มีเยอะแยะมากมายแล้วเราเป็นใครละ่ะเราเราทําไปแล้วจะไม่ให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์เหรอะจะต้องให้ทุกคนเข้าใจเหรอเราเป็นใครละ่นะ เราก็ต้องกลับมาทางตัวเองว่าทําไมเราต้องมาทุกข์ใจกับเรื่องต่างๆเหล่านั้นด้วยนะที่จริงสิ่งที่ทํานะถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีก็ทําไปเถอะนะแต่สิ่งที่สําคัญต้องวางใจด้วยว่าผลที่เกิดมามันจะเป็นอย่างที่ควรจะเป็นหรือว่าผลไม่จะเกิดมาอย่างที่เราต้องการหรือไม่เราต้องวางใจตรงนี้ถ้าเราวางใจไม่ได้เราก็จะทุกข์ใจถ้าเราวางใจได้ ผลจะออกมาเป็นหน้าไหนก็นแล้ว fare? แต่จะบวกก็ตามจะลบก็ตามจะเป็นอย่างที่ต้องการก็ตามไม่เป็นอย่างที่ต้องการก็ตามถ้าเราวางใจได้นะมันก็เ ก, กิดความไม่ทุกข์ใจซึ่งเรื่องพวกนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แค่เรื่องภายนอกนะมันรวมถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมของเราด้วยเหมือนกันนะการปฏิบัติธรรมถ้าเราวางใจนะกับผลที่เกิดขึ้นได้นะมันก็เกิดความไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าเรา มีความคาดหวังมากว่าปฏิบัติทำแล้วมันจะต้องดีตลอดสินะในเมื่อเราก็ทำความเพียรเต็มที่ในเมื่อเราก็พยายามทำเต็มที่แล้วทำไมมือยังง่วงนอนอยู่ทำไมยังคิดมากอยู่หรือทำไมยังไม่เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้ตามขั้นตอนที่มีผู้เดินก่อนเขาว่ากันไว้นะถ้าเราไปคิดเด็ดตรงนั้นนะมันก็เกิดความทุกข์ใจแต่ที่จริงแล้ว ไอ้ที่มันเป็นอย่างที่เราต้องการก็ดีหรือไม่เป็นอย่างที่เราต้องการก็ดีนะแท้จริงแล้วก็สอนธรรมะเราทั้งนั้นนะอย่างเช่นบางวันเราภาวนาเนาะบางวันง่วงนอนมากนะแต่พอสักพักนึ่งอ่ะมันก็หายง่วงนอนก็มีบางวันจิตใจฟุ้งซ่านเหลือเกินคิดมากตารพัฒนมากมายแต่บางวันก็ปฏิบัติดีดีนะบางวันปฏิบัติแล้วสงบนะวันรุ่งขึ้นเอา้า ความสงบหายไปไหนไม่รู้บางทีนะเดินไปเหมือนจะเข้าใกล้มรรคผลนิพพานละนะจิตใจมันโล่งโปร่งสบายเหมือนรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาเลยนะแต่พออีกทีความรู้ตัวหายไปไหนก็ไม่รู้นะมาเหมือนเป็นคนฝึกใหม่มาเหมือนเริ่มใหม่แม้พยายามขนาดไหนก็ไม่กลับมาสักทีที่จริงเรื่องต่างๆหันนี้นะถ้าเราภาวนาจริงๆมันจะมีเรื่องพวกนี้ยอยู่เสมอ ธรรมะเขสอนอะไรสอนความไม่แน่นะสอนความไม่เที่ยงนั่นแหละคือที่เรียกว่าอนิจจังนะเขาสอนให้เราเห็นแต่ถ้าจิตใจเราไม่ยอมรับความเป็นอ น, นิจจังความไม่แน่ความไม่เที่ยงเนะี่ยจิตใจเราเนั่ยแหละเกิดความทุกข์แต่ถ้าเราเห็นว่าเออเป็นเรื่องธรรมดานะบางวันภาวนาดีบางวันภาวนาไม่ดีบางช่วงคิดมากบางช่วงงม่องนอนบางช่วงสงบก็ให้เห็นเป็นเช่นนั้นอ้อ จิตมันเป็นของเขาเองเป็นเช่นนั้นเองเราคิดจะไปบังคับบัญชาเขาหรือเราคิดอยากจะไปจัดการทุกเรื่องให้เป็นอย่างที่เราต้องการหรือนะอันนั้นเป็นอะไรอันนั้นเป็นอัตตามันไม่ใช่อนัตตานะนะถ้าเรากลับมาดูที่จิตของเราเองนะเราก็จะเห็นว่าจิตก็แสดงความเป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามกลไกของเขาไม่ใช่เป็นไปตามใจเราต้องการ ที่จริงมันเนะ่เขาสอนธรรมะเราทั้งนั้นทั้งการปฏิบัติของเราเองก็ดีที่จริงมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเกี่ยวข้องกับสังคมก็ดีธรรมะจะทำให้เรายอมรับความจริงตรงนี้แหละว่าอ้อเราก็เพียงแค่ทำหน้าที่ทำไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นเช่นไรเราต้องทำใจยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นให้ได้ทุกประการนะที่จริงความทุกข์ก็ดีนะ ถ้าเรายอมรับได้เนี่ยมันจะดีมากๆนะยอมรับว่ามันเกิดขึ้นนะแบบเป็นเพียงแค่เห็นว่ามันเกิดขึ้นนะแต่เราไม่เข้าไปเป็นกับเขาเนี่ยก็คือการยอมรับอย่างหนึ่งนะเช่นเรานั่งนานๆเนี่ยมันต้องเกิดความปวดความเมื่อยหรือเดินมากๆก็ต้องเกิดความปวดความเมื่อยเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราคิดแต่ว่าเอา้าทําไมล่ะเราฝึกมากขึ้นแล้วมันต้องหายปวดทายเมื่อยสินะต้องหายเจ็บสิ อันนั้นคือวความคิดของเราที่จะไปบังคับปัญชาให้กายมันไม่ปวดไม่เมื่อยซึ่งเป็นไปไม่ได้จิตใจของเราก็เหมือนกันนะบางทีเราก็ไปคาดหวังไปคาดการว่าเราภาวนาอยู่มาหลายวันแล้วหลายเดือนแล้วหรือบางคนก็หลายปีแล้วทำไมไม่ก้าวหน้าสักทีเราก็ไปคิดแต่เรื่องพวกนี้บางทีมันก็เกิดความทุกข์ใจนะเพราะว่าอะไรเราไปหวังแต่ผลแต่เราไม่กลับมาทบทวนว่า เราทําเหตุสมควรแล้วหรือยังนะในแต่ละวันเรารู้สึกตัวได้มากขนาดไหนหรือว่าการวางใจของเรากับพระบรมเราวางไว้ได้ดีขนาดไหนนะเราวางใจโดยความเป็นกลางไหมนะหรือว่าเราจะวางใจโดยการตั้งใจจนเกินไปนะบางคนขยันในการภาวนานะแต่ก็เกิดความเค่งเครียดนะเกิดความเพ่งจ้องนะเกิดภนะ า, าวะที่เรียกว่า ตั้งใจมากเกินเกินไปจนไม่รู้ตัวนะบางทีบางคนพอตั้งใจมากเนี่ไม่รู้ตัวคือตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองตั้งใจจนเกินไปแต่คนอื่นเขาเห็นนะเขาอาจจะรู้นะนะเขาอาจจะรู้นะอย่างตมาเองบางทีเคยอย่างไปไปสอนที่เมือจงจีนคราวก่อนนะั่นนะก็มีมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาตั้งใจปฏิบัติมากนะจนกระทั่งแบบหน้านี่หน้านิ้วคือขมวดนะเคร่งเครียดมากนะ ด้วยความที่เราก็พูดไม่ค่อยได้เนาะไม่รู้จะบอกอยังไงดีนะก็เลยไปยืมยืมกระจกนะของกับอาจารย์กำพลนะเดี๋ยในห้องอาจารย์กำพลมีกระจกไว้ด้วยนะะจกใบใหญ่ก็ไปยืมกระจกมาเลยเอามาให้เขาส่องดูหน้าตัวเองว่าเป็นแบบไหน <c oughs> ก็เขาพอเห็นหน้าตัวเองเคร่งเครียดแล้วเออมันก็เขาก็ยิ้มได้นะพอเห็นหน้าตัวเองอ่าเคร่งเครียดเขาก็ยิ้มขึ้นมาได้นะพอ คราวหลังปฏิบัติเขาเขาก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะแม้แรกๆจะยิ้มแบบยิ้มแบบแยแยนะไม่ได้ยิ้มแบบนะแบบเต็มเต็มที่นะก็น่าก็ยังเครียดอยู่บ้างนิดหน่อยแล้วก็ยิ้มแบบฝืนยิ้มนะฝืนยิม้มแต่พอตอนหลังเขาก็สังเกตดูทันจิตของตัวเองมากขึ้นตอนที่มาเริ่มเครียดมากนะเขาก็ผ่อนคลายออกมาพอที่จะเข้าไปเครียดอีกนะก็ผ่อนคลายอีกนะ ต่อไปหน้าก็เริ่มสดใสขึ้นนะสดใสขึ้นนะก็ไม่ไม่เคร่งเครียดเหมือนเก่าละนะเขาก็รู้สึกว่าเออเขาวางใจเป็นละนะจากคนที่เรียกว่าเคยภาวนามามาหลายวิธีนะหรือว่ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมมากนะแต่ความที่อยากอยากปฏิบัติธรรมมากก็ดีแต่ว่าความที่ตั้งใจมากเกินไปก็ดีทำให้เกิดความเข้่งเครียดนะ เมื่อปฏิบัติธรรมแบบเขร่งเครียดเกินเกินไปนะไม่สึกผ่อนคลายหรือว่าใจไม่เป็นกลางนะจะภาวนา ม, มากขนาดไหนนะมันก็ยังไมไ่ทางสายกลางที่พระเจ้าท่านสอนนะมาเป็นทางขุดตรงทางหนึ่งก็คืออัตถากิลมถานโยกอัตถากิลมัทานโยกไม่ใช่เพียงแค่การต้องไปทรมานตนใยการอดข้าวอดน้ําอดนอนหรือว่าหรือว่าต้องไปนอนน้ํานอนตะปูอะไรอันนั้นเป็นเรื่องของกาย แต่แท้จริงแล้วอัตตกิริฐาโนโยคคือเรื่องของใจเนี่แหละนะใจที่เคร่งเครียดใจที่เอาจริงเอาจังเกินไปนะใจที่เรียกว่าไปกดดันตัวเองนะหรือใจที่ไปคาดหวังผลนะอยากจะได้แต่ผลเกินไปอันนี้แหละคือใจที่เป็นอัตตกิริฐาโนโยคถ้าเรากลับมารู้ทันจิตหรือว่าใจที่มันไปคิดเช่นนั้นหรือว่าไปวางใจเช่นนั้นอันนั้นแหละมันจะกลับมานะมันจะกลับมา คือแต่บางทีเราก็ไม่สามารถบังคับนะไม่สามารถบังคับได้หรอกบางทีมันอาจจะ เ, เครียดของมันเองหรือบางทีมันเกิดไปความตั้งใจของมันเองแต่สติจะทําหน้าที่ให้เรารู้เท่าทันจิตที่มันไปจริงจงังไปเคร่งเครียดไปเอาเหตุเอาผลหรือว่าอยากจะได้ผลการปฏิบัติแล้วเมื่อเรารู้ทันสภาวะจิตตรงนั้นนะจิตมันจะกลับมาเป็นปกติของมันเองคือเราไม่ใช่บังคับว่ามันจะต้องดีตลอด แต่พอเรารู้ทันว่าจิตมันเคร่งเครียดนะเรารู้ทันแล้วก็ผ่อนคลายให้มันให้มันเป็นปกติหรือแท้จริงแล้วถ้าสติมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเมื่อมันรู้ว่ามันเครียดจิตจะกลับมาเป็นปกติของมันเองอันนี้คือมันจะมีคนหลายคนหรือว่าคนที่ตั้งใจปฏิบัติมากๆบางทีจะมีสภาวะตอนนี้ตั้งใจเกินไปเคร่งเครียดเกินไปหวังผลมากเกินไป นะพึ่งต่างๆเนี่ยเราก็บังคับไม่ได้หรอกนะเราก็แค่ดูทันใจของเรานะแน่นอนบางคนบอกว่าเอ้าทําไมปฏิบัติแล้วไม่ให้หวังผลหรอนะถ้าไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่หวังผลเราก็ไม่มีแรงจูงใจไม่มีเป้าหมายในการปฏิบัติเลยนะที่จริงการการหวังผลกับมีการมีเป้าหมายนะมันต่างกันนะการมีเป้าหมายนะอย่างเรามาบวชหลายคนก็หวังมรรคผลนิพพาน เรามาปฏิบัติธรรมหลายคนก็หวังเช่นนั้นหวังที่จะไม่ทุกข์แล้วหวังที่จะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนะพอเสียทีจากการเว้นว่าแต่เกิดพอเสียทีจากความทุกข์ที่เผชิญมาชั่วชีวิตนะก็หวังว่าจะหมดทุกข์หวังว่าจะถึงพระนิพพานอันนั้นที่จริงนันคือถิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายนะเราสามารถวางเป้าหมายเช่นนั้นในชีวิตของเราได้นะแต่เพียงแต่ว่าการวางคนก็คือการที่ จิตมันไปคิดถึงแต่ผลหรือว่าไปคิดถึงแต่เป้าหมายนะมันไม่ค่อยประใส่ใจกับการทําเหตุนะคือจิตมันไปกังวลว่าเมื่อไร่จะถึงเมื่อไหรจะได้เมื่อไร่จะถึงเพืความหมดทุกข์คือจิตตนีค้คือเขาเรียกว่าเป็นการหวังผลนะแต่การมีเป้าหมายไม่ใช่ผิดนะแต่การพอเราพอขณะที่เรากระทาเราต้องวางผลนะหรือว่าการวางการหวังผลไว้ แล้วก็กระทําเหตุนะดังนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เรียกว่าเน้นที่การกระทําเหตุเหตุของเราทําทิทำถูกหรือยังเหตุของเราทําดีหรือยังนะเหตุที่ควรจะทําก็อริยมรรมีองค์แปดนั่นแหละนะพวกเราหลายคนก็คงทราบอยู่ว่ามีอะไรอริยมรรมีองค์แปดนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะทําหรือถ้าจะว่า ง, ง่ายๆนะว่าโดยยอด่อที่พื้นฐานที่เราเข้าใจก็คือการที่เรามีศีล นะมีสมาธิแล้วก็มีปัญญานแ่แหละนะการเจรินศีลการเจรินสมาธิเดี๋ยวการจะเินปัญญาหย่างตามมันเนียมันจะทำให้เรียกว่าเราเดินในเหตุที่ถูกแล้วมันย่อมส่งผลไปสู่ผลที่ควรที่จะเป็นของมันเหมือนเราเดินทางเนี่นแหละนะถ้าเราจะเข้ากรุงเทพนะเราเป็นทางทิศที่ถูกต้องไปทางถนนที่มันใช่ทาง เราก็ขับรถไปเรื่อยๆนะมันก็สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้การปฏิบัติธรรมก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าเราเดินถูกทางก็คือเดินในอริยมรรคมีองค์แปดนะเราไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะได้หรือไม่ได้แต่ขณะที่เราเดินทางมันก็สามารถเข้าใกล้มรรคผลนิพพานอยู่ทุกขณะนะแต่จริงนะในการปฏิบัติธรรมมันอัศจรรย์กว่านั้นก็คือว่าที่จริงทุกขณะ ที่เราเดินถูกทางทุกขณะที่เราเรียกว่ามีสติมีความรู้สึกตัวเมื่อนั้นจิตมันก็เป็นปกติเมื่อนั้นจิตมันก็ไม่ทุกข์นะหรือทุกขณะที่เรารู้ทันจิตที่มันหลงไปจะไปหลงไปเครียดก็ดีหรือหลงไปฟุ้งซ่านก็ดีเมื่อไรที่เรารู้ทันสภาวะจิตเช่นนั้นจิตมันก็กลับมาเป็นปกติของมันเองแล้วนะโดยไม่ต้องไปหวังอะไรเลยนะ คือที่จริงความเป็นปกติเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เรารู้เท่าทันสภาวะที่เรียกว่าไม่ปกติก็ได้นะก็คือความสุดโตงในสองทางคือเครียดบ้างหรือว่าลงไปบ้างอันเนี้ยถ้าเรารู้ทันมันจะกลับมาเป็นปกติของมันคือความเป็นปกตินะบางทีไม่ไม่สามารถรักษาให้มันเกิดตลอดได้นะมันมันก็ลงไปบ้างเบี่ยงไปบ้างเป็นธรรมดาของผูุ้ชนแต่สิ่งที่เราควรทําคือรู้ทัน มันให้เร็วๆนะเมากับความคิดฟุ้งซ่านนะบางคนปฏิบัติไปแล้วเกิดความคิดฟุ้งซ่านมากมายคือเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อห้ามความคิดนะหรือว่าเพื่อบังคับจิตไม่ให้มันฟุ้งซ่านหรือว่าจะเอาแต่ความสงบอย่างเดียวนะเราไม่ได้วางใจเช่นนั้นแต่ถ้าเราวางใจเช่นนั้นนะเราจะเอาแต่ความสงบก็ดีหรือเราจะไม่อยากให้มันฟุ้งซ่านก็ดีก็คือเราวางใจไว้ผิดแล้ว แต่แท้จริงแล้วการเจริญสติคือเราไม่ได้บังคับหรือว่ากดข่มจิตจิตมันจะฟุ้งซ่านขึ้นมาเราก็รู้ว่าจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันจะคิดขึ้นมาเราก็รู้ว่าจิตมันคิดแต่ถ้าเรามีสติแล้วเราจะเห็นแบบนี้ก็คือว่าจิตมันมเป็นส่วนหนึ่งไอ้ความคิดมันเป็นส่วนหนึ่งนะจิตมันเป็นส่วนหนึ่งไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยมันมาที่หลังจากจิตนะจิตเดิมแท้มันเป็นปกติอยู่ ให้ความคิดความฟุ้งซ่านเนี่ยมันแทรกเข้ามาชั่วคราวเฉยๆนะมันไม่ใช่ความจริงนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่าอ๋อจิตมันก็ส่วนหนึ่งนะความฟุ้งซ่านก็ส่วนหนึ่งนะหรือเห็นรวมถึงกายด้วยกายที่เคลื่อนไหวกายที่ทําอะไรมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะสติมีหน้าที่เห็นเฉยๆไม่เข้าไปเป็นนะจิตเราถ้าวางวางว า, างไว้ถูกนะมันจะเห็นเช่นนี้ เห็นกายมันก็ทําไปบางทีมันก็สุขบ้างบางทีมันก็ทุกข์บ้างเจ็บบ้างหรือว่าสบายบ้างก็เป็นเรื่องของกายทติมีหน้าที่เป็นเพผู้เห็นเห็นกายก็เป็นไปของเขาจิตใจก็เหมือนกันบางทีก็สุขบ้างบางทีก็ทุกข์บ้างบางทีก็ปกติบ้างบางทีไม่ปกติบ้างน่ะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เห็นเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราทติจะทําหน้าที่ทําให้เราถอนออกมา ถอ uh นตัวเองออกมาจากความทุกข์หรือว่าถอนออกมาจากความหลงถอนออกมาจากความไม่ปกติมาหาความเป็นปกติจิตตรงนี้แหละเป็นสติตรงนี้แหละทำหน้าที่ให้เรากลับมาหาที่ตั้งก็คือความเป็นปกติที่ตั้งของความเป็นปกตินี่ก็สามารถเกิดได้อย่างหนึ่งก็เกิดจากการรู้เท่าทันจิตโดยตรงรู้เท่าทันว่าจิตตอนนั้นมันหลงหรือว่ามันเพ่งจิตก็จะกลับมาเป็นปกติ อีกส่วนหนึ่งก็คือการดูกายโดยใจที่เรียกว่าเป็นผู้ดูนะเป็นผู้สังเกตกายเขาเคลื่อนไหวไม่ใช่เข้าไปเพ่งไปจ้องดูกายหรือว่าเข้าไปอยู่กับกายนะบางคนเพ่งจ้องนะอยู่กับการเดินก็ดีกับการยกมือก็ดีหรือไปอยู่กับลมหายใจก็ดีอันนั้นไม่ให้เป็นการดูกายเคลื่อนไหวนะเราดูกายเคลื่อนไหวก็คือมีสติอยู่ต่างหาก แล้วก็คอยสังเกตดูการเคลื่อนไหวของกายอย่างสบายๆอย่างเป็นธรรมดาธรรมดาเป็นธรรมชาตินะไม่เข้าไปเพ่งจ่องส่วนใดให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมคือดูกายทั้งกายนะดูกายทั้งกายแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปไปเพ่งไปจ่องทั้งกายนะนะดูให้สบายๆมันก็จะเห็นกายทั้งกายมันเคลื่อนไหวไปนะแต่อาจจะมีความเด่นอยู่บางส่วนอันนั้นก็เป็นความเด่นนะ แต่ให้เราดูแบบดูดูดภาพรวมนะดูภาพรวมของกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เข้าไปเพ่งจ้องส่วนใดส่วนหนึ่งอันนี้ถ้าเราวางใจเช่นนี้นะเราจะดูกายได้โดยความเป็นปกตินะดูจิตได้แล้วก็รู้ทันจิตจิตก็จะกลับมาเป็นปกติของมันอันนี้แหละคือการปฏิบัติถ้าเราทําเช่นนี้นะจะเป็นการ <c oughs> เรียกว่ารักษาจิตใจให้มันกลับมาหาความเป็นปกติ จิตใจที่เป็นปกติน่ะคือจิตใจที่เรียกว่าจิตไม่ทุกข์นะจะเรียกว่าเป็นนิพพา น, นน้อยก็ได้นิพพานที่สามารถเกิดขึ้นได้อยู่ทุกขณะจิตที่รู้สึกตัวนะจิตที่รู้สึกตัวจะได้ว่าเป็นจิตนิพพา น, นน้อยก็ได้แม้มันยังไม่ถึงไม่ถึงซึ่งความหมดทุกข์โดยสิ้นเชิงนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ทุกขณะถ้าเราสามารถสัมผัสในนิพพา น, นน้อยหรือว่าความไม่ทุกข์ หรือว่าจิตที่ไม่เป็นปกติอยู่ทุกขณะ น, นั้นแหละอ น, นั่นคือเราทําถูกแล้วเมื่อเราทําถูกแล้วตรงนี้แหละมันก็สมควรแล้วเราทําปัจจุบันดีแล้วนะผลในอนาคตมันจะเกิดขึ้นแบบไหนมันก็เรียกว่าถ้ามันทําถูกต่อไปเรื่อยๆมันก็ต้องเกิดมากเกิดผลแน่นอนให้ระวังใจเช่นนั้นนะเราไม่ต้องไปคาดหวังว่าเมื่อใ่จะได้เมื่อใดจะถึงเพียงแต่ว่าเราทําเหตุหรือว่าทํา สิ่งที่ควรจะทำในปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดแค่นี้ก็พอแล้วที่เหลือก็คือการวางใจนะวางใจให้เป็นกลางวางใจไม่ต้องไปหวังผลแล้วก็ทำเหตุไปเรื่อยทำเหตุไปเรืเ่อยอันนี้แหละคือการที่เราปฏิบัติกับจิตใจของเราเองอย่างถูกต้องแล้วเมื่อเราปฏิบัติกับจิตใจของเราถูกต้องเช่นนี้แล้วหรือว่าเรามีหลักในการวางใจเช่นนี้แล้วเราก็สามารถเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้นความถูกต้องเช่นเดียวกันนะ เราเห็นคนอื่นเขาทำผิดหรือทำไม่ดีเราก็สามารถตักเตือนแนะนำในทางที่ถูกทางที่ควรแนะนำตักเตือนแล้วเราก็ปล่อยวางนะล้วก็เรียกว่าถือว่าเราทำหน้าที่แล้วหน้าที่ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องแก้ไขปรปับปรุงเขาให้ดีขึ้นนะเราก็ทำเช่นนี้กับการอยู่ร่วมกันกับสังคมหรือมีคนมาปรึกษามีคนมาถามคาถาม เราก็ทําหน้าที่ในการฟังในการตอบไปเมื่อเสร็จกิจตรงนั้นนะเราก็ต้องวางวางคําถามวางความสงสัยวางความทุกข์ใจของเขาไปด้วยถ้าเราไปเก็บความทุกข์ใจของเขามาเป็นความทุกข์ใจของเรามาเก็บความปฏิบัติที่มันผิดของเขามาเป็นรอยตําหนิที่ต้องมาคิดถึงตลอดเวลาแล้วก็ทุกข์ใจอยู่เสมอไปแต่เราก็ต้องวางตรงนั้นไปด้วยทําหน้าที่ของเราดีแล้ว ก็วางตรงนั้นไปหน้าที่ที่เราต้องทำกับตนเองคือตรงนี้หน้าที่ที่เราต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นเราก็ทำหน้าที่ที่เป็นกิดส่วนรวมนะแม้บางทีจิตมันจะไม่อยากไปทำก็ดีนะแต่ถ้าเราเห็นว่าเออมันเป็นกิตที่ต้องทำเนี่ยเราอยู่กับสังคมต้องเกี่ยวข้องกันอย่างเช่นอยู่ในวัดนะบางทีมันมีงานที่ต้องใช้แรงหรือบางทีมันมีงานที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนมากมาย เึ่งอาจจะทําให้จิตมันฟุ้งซ่านมันไม่สงบแต่ถ้ามันเป็นงานที่จําเป็นเป็นข้อตกลงที่ส่วนรวมเขาเขาตกลงกันแล้วว่าจะทํานะแม้จิตมันจะไม่อยากทํานะแต่เราก็ต้องทํานะอะทำไปแล้วก็ดูดูจิตตัวใจของเราไปด้วยนะคอยมีสติรู้ทันใจของเราไปด้วยคนอื่นเขาอาจจะฟุ้งซ่านอาจจะไม่สงบอะเราบังคับไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือเรารู้ทันตัวเอง พยายามมีสติอยู่เสมอในการเกี่ยวข้องกับการงานนะในการเกี่ยวข้องกับผู้คนแม้คนอื่นเขาจะไม่สงบแต่เราจะกลับมาสงบจิตของเราได้นะแล้วก็เราก็รูทันการกระทําของเราด้วยที่จะไม่ทําความฟุ้งซ่านหรือว่าไม่ทําความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไปด้วยนี่เรียกว่าเป็นการดูแลดูแล ก, กายใจของเราเองแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนที่ร่วมทํางานของเราด้วย แ้วงานก็เกิดผลในทางที่ดีด้วยถ้าเราทําเช่นนี้เนาะกิจส่วนตัวก็ได้ในประโยชน์ต่อนคนอื่นก็ได้หรือประโยชน์ต่อส่วนรวมมันก็ได้เ น, นี่ยเราอยู่กับสังคมเนาะเราไม่ใช่อยู่คนเดียวนะวิถีของพระวิถีของนักบวชหรือวิถีของชาวพุทธนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพวกเราเป็นบอดีิสัตว์ทั้งสี่นะไม่ใช่เป็นผู้ที่เรียกว่าต้องหนีไปอยู่ป่าอยู่เขาคนเดียว มันต่างจากลัทธิหรือสีหรือสีชีภัยที่เขาปีกตัวไปอยู่ในป่าคนเดียวไปหาผลไม้ไปอยู่คนเดียวแบบนั้นนะแต่วิธีที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ให้กับชาวพุทธเราท่านให้พวกเราอยู่กันแบบเป็นบริษัทนะหรือว่าให้พวกเราอยู่กันเป็นชุมชนก็ว่าได้ให้เป็นชุมชนที่เกื้อกูลกันให้เป็นชุมชนที่เรียกว่ า, าชักชวนกันหรือว่าพากัน ในทางที่ดีนะอันนี้คือการปฏิบัติธรรมมันทําเช่นนี้เราอยู่กับชุมชนนี่แหละแล้วก็เราก็เข้าใจชุมชนแล้วก็เข้าใจตนนะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันจะทําให้เราเรียกว่าทําประโยชน์ตนก็ดีทำประโยชน์คนอื่นก็ดีทําประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ดีมันเป็นสิ่งเดียวกันทั้งนั้นนะถ้าเรามีสตินะฝึกไปเรื่อ ย, อยความรู้ต่างๆวันนี้มันจะเกิดขึ้นเกิดความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆเยนาะ ก็ขอให้พวกเราได้ได้จังใจนะอยู่ร่วมกันในพรรานี้ในการฝึกตนให้ถึงทึงความไม่ทุกข์นะแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันกั บ, บกูพระก็ดีหมู่แม่ชีก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีมีอะไรก็ช่วยกันตักเตือนกันแนะนํากันในทางที่ถูกในการวางจิตที่มีเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็วกอยากให้พวกเราช่วยกันช่วยงานตนรวมในสิ่งที่จําเป็นจะเห็นว่าเป็น ภาระในการลำบากกายเนาะกายมันลำบากแต่ให้เราวางใจให้มันไม่ลำบากเราจะเป็นการเกื้อกูลสังคมชุมชนเราให้ถึงเป็นเป็นชุมชนที่เรียกว่าพาการออกจากความทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเธิน